มีตารางที่ผู้การเขียนขึ้นนี้เป็นความรู้ที่เราจะต้องว่าจําเลยบางงั้นแต่ถ้าหากว่าเราจําอันนี้ไม่ได้ตัวศีลเราก็ไม่ได้ละเพราะว่าอันนี้คือตัวศีล น, นะตัวองค์ธรรมของศีลได้แก่ธรรมะเหล่านี้น ะ, ะเพราะฉะนั้นองค์ธรรมของศีลหรือสภาวะของศีล น, นั้นไม่ใช่มีอันเดียวใช่ไหมไม่ได้มีอันเดียวเลยนะ ยกตัวอย่างว่าถ้าในด้านนี้องค์ธรรมได้แก่เจตนาเป็นเป็นตัวศีลนีนะตัวเจตนานั่นแหละเป็นตัวศีลสภาวะของเขาได้แก่ตัวเจตนานะียส่วนเจตสิกศีลเ น, นี่ยนะมีหกอย่างนี่องค์ธรรมคนละตัวหมดเลยนนะนะองค์ธรรมคนละอย่างสัมมาวัตกรรมตะสัมมาวจจะสัมมาชีวะก็ อันนี้ก็เป็นชื่อของเจตสิกเฉพาะตัวชัดเจนล้ส่วนอนัพิชาองค์ธรรมได้แก่อโลพาเจตสิกอันนี้ได้แก่อโทสะเจตสิกสัมมาทิฏฐิได้แก่ปัญญาเจตสิกเห็นไหมท่า น, ะนเจตสิกศีลเนี่ยหกสภาวะส่วนสังวรศีลอ่าสังวรศีลเนี่ยนะปาติโมขสังวรเนี่ยท่านบอกว่าสําเร็จด้วยศรัทธา เพราะนั้นไอ้ปติโมกส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการงดเว้นในทางนี้นั่นเองเพราะนั้นบางอย่างก็เป็นเจตนา น, นะส่วนอินทร์สังวรศีลเน้นไปที่องค์ธรรมได้แก่ตัวสตินะองค์ธรรมได้แก่สติอาชีวะปาริสุทธิศีลองค์ธรรมได้แก่วิริยะเนี่ยนะส่วนคันติสังวรองค์ธรรมได้แก่อโธสัปัจจญสานิรรสิตศีลองค์ธรรมได้แก่ ยานะหรือปัญญาเพราะฉะนั้นปัญญาที่เป็นศีล น, นะมีหลายอย่างใช่ไหมหนึ่งสัมมาทิฏฐิยานะสังวรอันนี้ก็ปัญญาสององค์ธรรมส่วนอวีติกมะนี่นะกุละกละศลธรรมทั้งหมดกุศลจิตเจตสิกทั้งหมดเชื่อว่าอาวีติกมะเน้นไปที่ตัวกุศลแต่ว่าเป็นกุศลที่เว้นจากการ ฆ่าสัตว์เนี่ยนะแปว่าไม่ก้าวล่วงปานาติบาตไม่ก้าวล่วงอธินนาทานไม่ก้าวล่วงการเมสุมิชาจานไม่ก้าวล่วงมุสาวาตไม่ก้าวล่วงอภิสวาราไม่ก้าวล่วงปิสุนาวาจาไม่ก้าวล่วงสมผัสปลาปะไม่ก้าวล่วงคือพิชานะอภิชาไม่ก้าวล่วงพยาบาทไม่ก้าวล่วง มิฉาทิฏฐิคือคือไม่ไม่ไปทำมิชาทิฏฐินนะแล้วก็ก้าวล่วงกามาฉันทะด้วยเนคขมมะเนี่ยนะกุศลธรรมคือเนคขมมะอพยาปาทะอโลกสัญญา อ, อารติญาณนะเนี่ยนะไม่ใช่แล้วก็ถ้าถ้าพูดให้เต็มของท่านก็บอกว่าไม่ก้าวล่วงฉันทะด้วยเนคขมมะไม่ก้าวล่วง พยาปาทะด้วยอภยาปาทะไม่ก้าวล่วงถีนมิทะด้วยอะโลกสัญญาไม่ก้าวล่วงวิจิกิจชาด้วยการกําหนดธรรมไม่ก้าวล่วงอารติคือความไม่ยินดีด้วยปรามโมทไม่ก้าวล่วงอวิชาด้วยญานะไม่ก้าวล่วงนิวรห้าด้วยปทมฌาน ไม่ก้าวล่วงวิตกวิจารด้วยทุติยะฌานไม่ก้าวล่วงปีติด้วยตติยะฌานไม่ก้าวล่วงสุขทุกนะโสมนัตโทมนัติก่อนๆด้วยเจตุทาฌานนะไม่ก้าวล่วงอ่าเรียกว่าอากาสารรูปประสัญญาหนานตสัญญาปฏิฆาสัญญาด้วยอากาสารัญญา ย, ยตนะ น, นะครับว่าไม่ก้าวล่วงวิญญาอาการสารด้วยวิญญาณัญญายตนะไปเรื่อยจนถึง ว่าไม่กล้าล่วงกิเลส ท, ทั้งปวงด้วยอรหัตตมรรคอนะก็ไล่ไปจนถึงอรหัตตมรรคเพราะนั้นอวีติกมะก็กว้างขวางอ่านัยะที่กว้างขวางนะเราจากเรียนถึงเวันไหนยังบอกไม่ถูกเลยแต่ว่าจะได้เรียนแน่นะถ้าไม่ขาดถ้าเรารู้จักสภาวะของเขาคือตัวศีลแบบนี้แล้วนะ เราจะพูดถึงลักษณะของเขาไม่ยากนกะถามว่าเมื่อเขามีความหลากหลายเยอะแยะไปหมดเลยอะไรก่อนีนอันหนอนก่อซีลอันนี้ก่อนีนแล้วลักษณะเขาเป็นอย่างไรทั้งหมดเลยนะคือรองรับกุศลธรรมชั้นสูงเป็นลักษณะทั้งหมดเนี่ยรองรับกุศลธรรมชั้นสูง้เป็นลักษณะหน้าที่ของเขาคืออะไรหน้าที่ทั้งหมดนี้คือกาจัดความทุศีล กำจัดโทษทางกายทางวาจาออกไปเขาถึงพร้อมด้วยความไม่มีโทษงนั้นความสะอาดจึงเป็นอาการปรากฏของเขาฮีรรโอตปะเป็นเหตุใกล้คนไม่มีฮีเรโอตปะทำไม่ได้อนนะรฮีรโอตปะจึงเป็นเหตุใกล้เี่ยนะแต่ว่าถ้ารู้อย่างนี้แล้วก็ควรที่จะรู้อั น, นิี้สงนะถ้ารู้อันนี้สงแล้วก็ใจมันก็เชิญเวลารักษานะแต่ถ้าไม่รู้อั น, นิสงนี่แม่สั่งให้เราทาอะไรเนี่ย ใช่ไห ม, ไมบางอย่างก็ต้องทำใช่ไหมบางอย่างก็ต้องเวน้นไปเวน้นสิ่งที่เราชอบให้ไปทําในสิ่งที่เราไม่ค่อยสนุกหรือไงอันถ้าไม่เห็นอา น, นิสงส์จริงๆก็ทําไม่ได้แต่ว่าศี่นั้นมีความสําคัญในลักษณะรองรับกุศลธรรมชั้นสูงอันนี้แหละมีความจําเป็นมากถ้าหากว่าผู้ที่ปรารถนาคุณธรรมชั้นสูงคือฌานมรรคผลอภิญญาถ้ากุศลธรรมเหล่านี้ไม่บริบูรณ์ ฌานเป็นต้นจักไม่เกิดอย่างแน่นอนเนี่ยนะแม้แต่สมถวิปัสสนาก็มีอุปนิสัยถูกตัดขาดด้วยนะถ้ากุศลธรรมเหล่านี้ไม่ดีเนี่ยนะถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่ของมาพูดคํานี้เนี่ยจะไม่เชื่อเด็ดขาดเลยว่าเอ๊ะวิปัสสนาไม่ต้องอย่างนี้ก็ได้มั้งเจริญได้มั้งเจริญไม่ยากแต่ตอนนี้เทียงเถียงคอขาดเลยว่างั้นแต่ถ้าเถียงนะแต่ว่าไม่เถียงแน่นอนแต่ว่าทําให้เห็นว่าพระพุทธพจน์ที่ แสดงถึงลำดับขั้นตอนเนี่ยนะมีมากจริงๆที่ที่พูดไว้ว่าจะต้องเป็นไปตามลำดับนั้นๆจริงๆถ้าหากว่าวิปัสนาตามพระไตรปิฎกเนี่ยนะถ้าตามพระไตรปิฎกและอัตถะฐานนั้นน่ะจะต้องเป็นไปตามลำดับนั้นๆจริงๆถ้าไม่เป็นไปตามลำดับแล้วเขาบอกว่าปฏิเสธฐานะไม่ใช่ฐานะเพราะปัจจัยไม่มีเนี่ยนะก็เหมือนกับเราจะสร้างตึกชั้น3าชั้น4เนี่ยนะชั้นหนึ่งยังไม่ได้สร้างเลย คอนกะรีตยังไม่ได้เทเลยดินยังไม่ได้ปรับเลยจะสร้างแต่ชั้นสูงชั้นเจดชั้นแปดอย่างเงี้ยนับรองถมไปยังไงก็นู่นไปเหลือชั้นหนึ่งหมดเลยนะยิ่งทำํำยังไงก็ไม่ถึงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคุณธรรมอันนี้เป็นพื้นฐานมากอั้นถ้าหากว่าคนที่เจริญคุณธรรมได้ขนาดนี้กําจัดภัยได้แล้วเขาจะติเตียนตัวเขาเองไม่ได้ถ้าเขาทําได้ขนาดนี้นะเขาจะกําจัดภัยคือการติเตียนตัวเอง วินยูชนทั้งหลายก็ไม่ติเตียนด้วยเนี่ยนะบัณฑิตทั้งหลายจะไม่ติเตียนเขาอันนั้นอันนี้สงด้านอื่นๆอีกก็มีตั้งมากแต่ที่ของธรรมมาชอบก็คือศีนนี่เป็นอริยทรัพย์อ่างนั้นเถอะถ้ามีกุศลเหล่านี้จะไม่จะเป็นคนไม่ขัดสนกับเขาก็าตรงนี้ละมั้งเนาะทำไมอย่างนั้นแล้วก็โอ้ยนึกอะไรนึกไม่ออกสักอย่างเลยอ่างนั้นเถอะขัดสนในวินัยของพระอริยเจ้า พูดถึงสังสารวัตรเมื่อไหรก็เหี่ยวเช่าจะไปยังไงเนาะที่พึ่งไม่มีเลยสักอย่างเลยนะที่พึ่งจะเดินทางไกลยอยู่แล้วสเสบียงทางก็ยังไม่มีใช่ไหมที่พักในระหว่างทางก็ยังไม่มีใบไม้มันก็จะเหลืองแล้วก็ลมพัดก็ร่วงอยู่แล้วลมมันหน่อยก็ใบไม้ก็ร่วงว่างั้นเแต่บรุษแห่งพญายมก็ปรากฏแล้วว่างั้นถ้าหากว่า เรียนชาดกมาเยอะๆเนี่ยนะเขาบอกว่าพระราชาในสมัยก่อนเนี่ยนะถ้าหากว่ามีเส้นพระเกศางอกขึ้นมาอันเส้นหนึ่งเนี่ยนะจะให้ช่างท้องเนี่ยจะให้ช่างกละบกเนี่ยถอนมาให้ดูแล้วก็พอพอถอนมาเห็นปุ๊บแล้วก็จะบอกว่าเรียกลูกชายพระราชโอรสองค์ใหญ่มาก็บอกว่าลูกเอ้ยว่าไงตอนนี้เทวทูตปรากฏแกพ่อแล้วว่างั้น เพราะฉะนั้นการมคุณอันเป็นของมนุษย์เนี่ยพ่อได้สเสวยแล้วบัตรนี้ถึงเวลาที่พ่อจะต้องสแสวงหาการมคุณอันเป็นของทิศเขาว่ากันนะฮัลปราชาทุกพระ อ, องค์ก็จะสลดสังเวชใจที่เทวทูตเตือนก็จะออกบวชเป็นต้นบําเพ็ญสมมาณะธรรมเนีย่ยนะเพื่อที่จะเป็นสเสบียงทางที่พึ่งในภายภาคหน้าต่อไปเนีย่ยนะเพราะชีวิตของเราไม่ได้อยู่แค่แค่นี้นะไม่ได้อยู่แค่ตรงนี้ชีวิตซึ่งมันสั้นนี่เดียว อันที่พึ่งเหล่านี้นี่ควรที่เราจะศึกษาให้เข้าใจเรียนรู้ให้เข้าใจในชั้นของการศึกษานั้นอัตตะสัมมาปณิธิย่างหนึ่งที่เราควรตั้งก่อนอันดับแรกก็คือเราทำไม่ได้ก็เอาไว้ก่อนไม่เป็นไรขอให้ศึกษาให้เข้าใจเถอะแล้วตั้งใจว่าสักวันหนึ่งจะต้องปฏิบัติตามให้ได้อันนะอันนี้เป็นพื้นฐานที่สุด แต่ถ้าหากว่าบางคนเนี่ยศึกษาไปศึกษาไปแล้วโอ้ทำตามไม่ได้อย่าไปเรียนเลยคำว่างัน้นเรียนไปเราก็ทำไม่ได้หรอกคาว่างัน้นบางคนนี้เหตุผลเท่านี้แหละที่ไม่ศึกษาคำสอนทั้งๆที่สติ ป, ปัญญาเขาพอเรียนได้เขาพอศึกษาเข้าใจได้แต่ถ้าหากว่าเขาคิดว่าเอศึกษาไปอีกระยะหนึ่งเราคงปฏิบัติตามได้อ่ะนะถ้าอย่างนี้สบายมากเลยอีกนิดนึงเลยครับ คือพอเราเห็นภาพในกระดานแล้วนี่นะวิรติศีลกับอวิรติศีลนี่ก็ง่ายขึ้นแล้วใช่ไหมครับเจนพรเห็นชัดแล้วนะชี้นิดนึงก็กครับอืชี้ให้ดูก็ได้ครับเจนพรได้วิรติศีเนี่ยนะครับได้แก่สัมมาในะครับในเจตสิกสีนะสัมมารกรรมันตาสัมมาวาจาสัมมาอาชีวะเฉพาะสามอันนั้นเนี่ยนะฮะชื่อว่าวิรติศีล น, นอกนั้นทั้งหมดเลยทั้งกระดานนั่นเลยเป็นอวิรติศีลก็เพียงเท่านี้เองเจนพรก็ทําให้เข้าใจง่ายขึ้น หเหตุผลท่า น, นอธิบายหน่อยทีครับเลยนะก็คือเหตุผลเพียงแต่ว่าท่านมาจําแนกให้เห็นเท่านั้นเองอวีรติก็คือการงดเวนเ้นเนี่ยนะท่านเน้นไปที่งดเวน้นแต่ว่าไอขอบเขตขอ ง, ของคําว่างดเว้นนั้นก็กว้างนะไม่ใช่ว่าไม่ทําอย่างเดียวไม่ใช่ว่าโอ้เห็นแล้วก็ไม่ฆ่าอย่างเดียวแต่ว่าถ้าแสดงตาม ข้อความในพระไตรปิฎกอย่างเช่นในศีลขันธวัตถีขณิกายเป็นต้นเนี่ยน ะ, ะละจากปานาติบาตเว้นจากปานาติบาตวางศาสตราวางอาวุธวางโทษในสัตว์มีความละอายต่อสัตว์มีความเอ็นดูต่อสัตว์เนี่ยนะสแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลต่อสรรพสัพตว์อยูอ่ลักษณะนั้นเป็นศีลเกี่ยวกับเรื่องการงดเว้นจากปานาติบาตไม่ใช่ไม่ฆ่ายอย่างเดียวในขณะเดียวกันก็ต้องมีมีเมตตาต่อสัตว์เป็นต้นด้วยเนี่ยนะ เจตนาก็เหมือนกันนะเจตนาก็ไม่ได้อยู่แค่ไม่ฆ่าเพราะอย่าลืมว่าคนที่ไม่ฆ่านั้นเขามีความสะอาดนะมีเิเรโอตั ป, ปะจะกล่าวถึงศีลที่เป็นหมวดสองนะหมวดสองเรียกว่าทุกกะในทุกกะมีเจดทุกกะด้วยกันทุกกะที่หนึ่งคืออะไรทุกกะที่หนึ่งคือ จาริตศีลกับวารตศีลทุกกาที่สองอทุกกาที่สองว่าไงอภิสมาจาร์กับอาทิพรมจรันในหน้าสามสิบเก้าสาแปดสาสิบเก้าทุกกาที่สามคือวิรติศีลกับอวิรติศีล ทนี้ก็มาขึ้นทุกกะที่สี่เลยเนะมาขึ้นทุกกะที่สี่ที่ว่าชื่อว่านิสยะเนี่ยนะนิสัยคำว่านิสัยนี้แปลว่าเป็นที่อาศัยนะได้แก่นิสยะมีสองอย่างคือตันหานิสัยและทิฏฐินิสัยเนี่ยนะตันหานิสยะกับทิฏฐินิสยะเนี่ยนะก็คือศีลที่มีที่อาศัยว่างั้นเถอะ มีศีลมีตันหาเป็นที่อาศัยศีลมีทิฏฐิเป็นที่อาศัยศีล น, นี่ดีนะศีลเหล่านี้ถามว่าดีไหมดีแต่ว่าแฝงไปด้วยตันหาและทิฏฐินี่ไงศีลที่มีตันหาและทิฏฐิมาแอบมาแฝงอยู่นั่นแหละเรียกว่าตันหานิสยะกับทิฏฐินิสยะหรือว่าตันหานิสัยเพราะบุคคลผู้มีตันหาจริญพึงอาศัยว่างั้นเถอะ ตันหาไปอาศัยรู้ว่าทิฏฐิจริญมาอาศัยศีลอันนั้นเนี่ยนะหรือเบื้องหลังมีตันหาซึ่งจะทธิบายต่อไปอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะหรือว่าศีลที่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังด้วยอํานาจของตันหาศีลที่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังของกุศลอันนั้นด้วยอํานาจของทิฏฐิเนี่ยนะมีตันหาและทิฏฐิเป็นที่อาศัยศีลจัดว่ามีสองอย่างโดยเกี่ยวกับนิสิตศีลกับอนิสิตศีล ส อ, อย่างนี้ในนิสยะสองอย่างนั้นศีลใดที่บุคคลหวังอยู่ซึ่งพบสมบัติ น, นะภาวะสมบัติ น, นะทำให้เป็นไปอย่างนี้ว่าด้วยศีลนี้เราจะเป็นเทพเจ้าหรือจะเป็นเทวดาตนใดตนหนึ่งแต่ยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างพระภิกษุอ้าวพระภิกษุเออฉันบวชเข้ามาแล้วก็ทําจตุปาริสุที่ศีลให้บริบูรณ์ เมื่อทําจตุปริสูตรที่ศีลให้บริบูรณ์อย่างนี้ก็ปรารถนาเป็นเทพเจ้านะเขาว่าโตสวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยมีความสุขนักแลวา ง, งั้นเถะจะได้ไปอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงปรารถนาไปเกิดในสวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งนับตั้งแต่รุกขเทวดาขึ้นไปเนีย่ยนะรับนับตั้งแต่รุกขเทวดาปรารถนาเทวดาตั้งแต่เทวดาที่อยู่ตามต้นไม้เนี่ยนะอยูนะ่เทวดาที่เป็นอากาศเทวดาเทวดาที่ ชั้นจาตุมชั้นดาวเดืองชั้นยา ม, มาชั้นดุสิตชั้นนิมมานารดีเป็นต้นเนี่ยนะปราถนาอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นเหมือนกับเท พ, พบุตรองค์ใดองค์หนึ่งเนี่ยนะโอ้เท พ, พบุตรองค์นั้นเนี่ยคนชื่นชมหรือกเกินปรารถนาเป็นเท พ, พบุตรเช่นนั้นบ้างอย่างนี้เขาเรียกว่าศีลที่มีตันหาเป็นที่อาศัยว่า ง, งั้นเถอะศีล น, นี้ชื่อว่าตันหานิสิตศีลเห็นไหม อำนาจของตันหาแท้ๆเลยนะคือศีลเนี่ยดีแต่ว่าไอ้ความปรารถนาอันนั้นไม่ดีรักษาศีลเนี่ยดีละถ้าแก้เนี่ยไม่ได้ไปแก้ที่เอออย่าไปรักษาศีลเลยไม่ใช่นะต้องแก้ที่ตั้งความปรารถนาตัวนั้นเป็นตัวนำไปเกิดใช่ไหมถูกไหมอ่าตันหาสมมติว่าถ้าหากว่าเขาจะไปเกิดเป็นเทพเนี่ยนะความปรารถนาอันนั้นเนี่ยเป็นเหมือนกับแม่ กุศลศีลที่เขารักษาเนี่ยเป็นเหมือนกับพ่อก็จะโยนให้เขาเนี่ยปฏิสนธิในสวรรค์ชั้นเหล่านั้นนั้นได้จริงแต่ว่าด้วยแรงปรารถนาที่ตั้งไว้ต่ำเนี่ยนะเขาก็จะห่างไกลาจากศาสนาของพระสาสดาสมมุติถ้าหากว่าเขาตั้งจิตไว้ไม่ดีเนี่ยเหมือนกับว่าเออรักษาศีลชั้นจะได้ไปเกิดในสวรรค์เสร็จ แ, แล้วไม่มีจุดหมายปลายทางไปเจอสวรรค์เจอพักพว ก, พวกเจอเพื่อนฟูงก็สบายเลยแค่นี้ ไปยาวเลยกว่าจะรู้ตัวอีกครั้งอา้าวจะหมดบุญแล้วค่ะนี้แล้วก็ถ้าเทพมีบุญมากเนี่ยจะรู้เลยนะว่าตัวเองจะต้องไปเกิดที่ไหนต่อไปมเีเทวดาหลายท่านเนี่ยรู้เลยนะว่าชันเนี่ยจะต้องไปเกิดที่ไหนต่อไปเนี่ยเหงื่อนี่ออกเลยเพราะฉะั้นรู้ว่าอ้าวจะไปนรกแล้วนี่เห็นไหมอย่างสุพรหมเท พ, พ บ, บุตรเนี่ยเดือดร้อนใจเลยนะรู้ว่าตัวเองเนี่ยจะไปนรกว่า ง, งั้นเร่าร้อนขึ้นมาทันทีเลยเพราะฉะนั้นความเพลิดเพลินในนั้นก็มีมีมาก ผู้ใดอย่างมังก็เหมือนกับคนบ้านนอกเราอ่ะนะอยากไปเที่ยวเมืองหลวงนี่มีตะตังไปหน่อยนีย่โอ้โหเที่ยวเพลินเนี่ยโหหมดแล้วทีนี้หมดแล้วทําไงละครนี้เบียดร้อนละถ้าสวรรค์เหมือนกรุงเทพเราก็ยังชั่วหน่อยใช่ไหมจะได้สมัครหางานทําได้แต่สวรรค์นั้นไอ้กรุงสวรรค์เนี่ยไม่ได้เป็นเหมือนกรุงเทพนะอันนั้นก็กรุงเทพเหมือนกันนะเมืองสวรรค์เนี่ยก็เทพเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าสวรรค์กรุงเทพแบบไทยๆเราเนี่ยมันหางานทําได้พอได้ใช่ไหม แต่สวรรค์นั้นจุติอย่างเดียวถ้ามีบุญก็สามารถเกิดชั้นสูงสูงต่อไปได้ถ้าไม่มีบุญเนี่ยส่วนใหญ่ไปอบายทุคติวินิบาตนรกเทวดาที่ที่ตายจากเทวดาแล้วมาเกิดเป็นเทวดาคืนหรือเป็นมนุษย์เนี่ยพอๆกับฝุ่นในเล็บเหมือนกันเพราะว่าเทวดาที่ประมาทกับไม่ประมาทเนี่ยนะก็เหมือนมนุษย์เรานี่แหละฟังธรรมกับไม่ฟังธรรมเป็นต้นเนี่ยอันไหนจะมากกว่าน่ น, นะให้ทานกับรับทานเนี่ย อ, นนะอันไหนยามากกว่าเนี่ยก็เห็นแล้วว่าศาสตว์ที่ไปสุคติเนี่ยน้อยนะักจริงๆเพราะว่าเหตุที่เป็นเป็นทางแห่งสุคติเนี่ยนะสมมุติว่าเจตนาศีลเจตสิกศีลสังวรศีลอวีติกามาศีลเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นสเสบียงเพื่อไปสุคติใช่ไหมถ้าพวกนี้ไม่ค่อยมีล่ะเอาอะไรเป็นสเสบียงเนี่ยนะสำนวนคัมภี์ท่านใช้คำว่าบันไดสวรรค์ว่า ง, งั้นไงประตูนิพพาน เพราะว่าศีลนี่นับเนื่องในอริยมรรคใช่ไหมต่อไปศีลใดที่บุคคลทําให้เป็นไปด้วยสุทธิทิฐิเนี่ยนะทิฐิ ท, ท, ที่มีเชื่อในเรื่องความบริสุทธิ์ว่าความหมดจดจากสงสารจากมีด้วยศีล น, นี้เอาอาศาัยศีลที่รักษานี่แหละรักษาศีลอยู่แค่นี้แหละโอ้ยไม่ฆ่าสัตว์อย่างเดียวกว่าบริสุทธิ์แล้วเนี่ยนะไม่ลักทรัพย์ของใครกว่าฉันบริสุทธิ์แล้ว ฉันไม่เคยมุสาวาาใครฉันก็บริสุทธิ์อยู่แล้วเห็นไหมลักษณะนี้แหละเรียกว่าศีลที่เป็นไปด้วยอํานาจของทิฏฐิคือความจริงของศีลเนี่ยเขาความจริงของเขาเป็นยังไงความจริงของศีลก็คือรองรับบุคคลธรรมชั้นสูงอะ่ะแต่หากว่าบุคคลเข้าใจว่าเออศีลแค่นี้ฉันก็บริสุทธิ์แล้วละ่ะสบายแล้วไม่ต้องทําอย่างอื่นอีกแล้วถ้าลักษณะนี้เขาเรียกว่า ทิฏฐินิสยะวันนั้นเถิดศีลที่มีทิฏฐิเป็นที่อาศัยอย่าลืมนะว่าค่าที่เป็นจริงของศีลคือรองรับกุศลธรรมชั้นสูงเพราะฉะนั้นศีลอย่างนี้ชื่อว่าทิฏฐินิสิตศีลส่วนโลกุตระศีลและโลกิยะศีลอันเป็นสัมภาระแห่งโลกุตระศีล น, นั้นนั่นแหละอันใดอันนี้ชื่อว่า อ น, น, นิสิตสินข้อแรกก่อนนะคือนิสิตาสินกับอนิสิตาสินนิสิตาสินคือสินที่เป็นที่อาศัยของตันหาและทิฏฐิส่วนอ น, สสนส like ิสิตาสินก็คือไม่เป็นที่อาศัยของตันหาและทิฏฐิถ้าตรงๆเลยได้แก่โลกุตราชสินที่ที่ตันหาและทิฏฐิไม่อาศัยโลกิยาสินด้วยก็ได้เพราะโลกิยาินเป็นสัมภาระ คำว่าสามภาระก็คือเป็นเหตุแห่งโลกุตระศีลโลกิยาศีลที่เป็นไปเพื่อโลกุตระศีลศีลแบบนี้แหละเรียกว่าอนิสิตศีลเพราะว่าโลกิยาศีลที่เป็นอุปนิสัยแห่งวิวัตตนะของเรานี้เป็นศีลข้อไหนในสองอย่างเนี่ยเป็นนิสิตศีลหรือว่าอนิสิตาศีลอ น, นิสิ ต, ด, นนสตดีกว่านะแต่ก็นิสิตอิงอิง้ง อา น, นิสิตเนี่ยก็คือถ้าสูงสุดก็โลกุตระแต่โลกิยะก็เอาด้วยเพราะว่าโลกิยะที่เป็นไปเพื่อโลกุตระอ่า น, นจะจตุปริสุทธรที่ศีลที่เป็นไปเพื่อโลกุตระอย่างนี้ชื่อว่าอ น, นิสิตศีลนะนะหรือว่าโลกิยะศีลที่เป็นไปเพื่อวิวัตต์นนะ มีใครเพิ่ ม, มั้ยเพราะว่าไม่เพิ่มผ่านขึ้นทุกกะที่หเลยนะในทุกกะที่หหน้า40ต่อไปว่าศีนจัดว่ามี2 อ, อย่างโดยเกี่ยวกับกาละปริยันตศีซนและอาปาณโกติกะีซนเซนอย่างนี้คือ ศีลที่บุคคลสมาทานกระทาการกำหนดการไว้ชื่อว่ากาละปริยันตศีลศีลที่กำหนดการเวลาไว้นะอย่างยกตัวอย่างวันอุโบสถข้าพเจ้าขอสมาทานอุโบสถช่ววันหนึ่งคือ1อย่างนี้แหละเขาเรียกว่ากาละปริยันตศีลศีลมีระยะเวลาหวา ง, งันถ้าถ้าสมัยนี้ก็เหมือนกับจะบวชพระใช่ไหมโอ้บวชสวันบวช5วันบวช7วันบวช3เดือนบวชทันษาหนึ่ง ศีลแบบนี้เขาเรียกว่าการละปริยันตศีลศีลที่มีการกำหนดแล้ ว, วางั้นกำหนดอยู่แล้วว่าศีลเนี่ยจะขอบเขตเขาอยู่แค่ไหน